และสร้างเครื่องรู้ร่วมขึ้นมาโดยมีการยอมรับร่วมกันร่วมรู้ร่วมเข้าใจและร่วมกันถือตามปฏิบัติตามข้อรู้ร่วมที่ตกลงกันร้อมกันยอมรับหรือยอมรับด้วยกันคือมติร่วมหรือสมมตินี้เป็นหัวใจเป็นแกนเป็นสาระของสังคมที่จะให้สังคมดำรงอยู่ดำเนินไปมีความเจริญก้าวหน้างอกงาม จนถึงขั้นที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมมีอริยธรรมพูดกลับกันว่าอริยธรรมของมนุษย์ก็ตั้งอยู่บนสมมุติหรือสมมตินี่เองข้อตกลงข้อรู้ร่วมคือสมมติหรือสมมุติแรกที่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งทําให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้ก็คือข้อรู้ร่วมหรือข้อตกลง เพื่อสื่อในการพูดเกิดเป็นถ้อยคำคำพูดภาษาเป็นทางหรือสื่อของการตอบโต้แลกเปลี่ยนหรือโวหารแล้วก็มีการบัญญัติต่างๆสำหรับเรียกฐานบนฐานของสมมุตินั้นมนุษย์พูฉลาดมีใช่หยุดแค่นั้นนอกจากข้อร่วมรู้ให้รู้ร่วมกันตามคำพูดจาวันนี้ชื่อนั้นๆนั่นเรียกว่าอย่างนั้นๆแล้ว อาศัยภาษานั้นเขาก็บัญญัติจัดตั้งข้อตกลงร่วมรู้เพื่อสื่อในการทำํำวางเป็นข้อร่วมทำสําหรับให้พร้อมกันทําตามรวมกันทําตามรวมกันปฏิบัติตามเป็นกติกากลายเป็นนิติคือแบบแผนเรื่องนําการปฏิบัติเกิดเป็นข้อบัญญัติที่เรียกว่าระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ตลอดจนกฎหมาย นอกจากบัญญัติจัดวางข้อร่วมทำ ร, ร, ร่วมปฏิบัติหรือข้อที่พร้อมกันถือไปปฏิบัติตามแล้วก็มีบัญญัติต่อไปอีกว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเขาจะถูกกระทาโดยสังคมอย่างไรเรียกรวบรัดว่าถูกอำนาจบังคับถูกลงโทษแล้วเพื่อให้บัญญัติมีผลบังคับจริงตามที่ตกลงก็มีการตกลงกันตั้งหรือยอมรับร่วมกัน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 เป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนกันและทำให้สังคมเป็นแหล่งอำนวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลตรงนี้ขอกล่าวไว้โดยรวบรัดเพียงเท่านี้ขอให้ขยายความเองตามหลักที่แสดงไว้ถึงตอนนี้ควรเข้าใจต่อออกไปอีกว่าสมมุติหรือสมมติ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 ของจริงเนื้อหาสาระอันมีจริงที่เป็นฐานรองรับให้แก่สมมุติและวินัยนั้นคืออะไรก็คือสิ่งธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นไปตามธรรมดานี่เองซึ่งเรียกสั้นๆคำเดียวว่าธรรมสำหรับคำว่าธรรมคือธรร ม, มานี้โดยส่วนมากที่ผ่านมาจะขออ่านว่าธรรมะเพื่อไม่ให้ฟังสับสนกับคาว่าธรรมที่มาจากการกระทานะครับ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 เป็นเนื้อหาสาระของสมมุติที่อ้างอิงและให้ความหมายแก่สมมุตินั้นถ้าไม่มีสิ่งธรรมชาติเป็นเนื้อหาสาระที่อ้างอิงแล้วสมมุติก็เลื่อนลอยหมดความหมายเช่นเดียวกันนั่นแหละธรรมดาที่เป็นกฎเป็นระบบระเบียบแห่งความเป็นอยู่เป็นไปของสิ่งธรรมชาติเหล่านั้นหรือการที่สิ่งธรรมชาติเหล่านั้น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 ดูง่ายๆแค่ว่าคุณหมอสั่งแก่บุตรหญิงหรือบุตรชายของคนไข้ว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วทุกวันจัดน้ำบริสุทธิ์เจืดสนิทให้คุณพ่อดื่มวันละอย่างน้อยหนึ่งลิตรครึ่งนะเอาเหยือกน้ำใหญ่ๆที่มีขีดบอกปริมาณน้ำด้วยก็จะดีแค่ตามตัวอย่างนี้ก็มีสมมุติที่สื่อไปถึงของจริงในธรรมชาติ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 มองเห็นความเป็นไปของปัจจัยสัมพันธ์ชัดเจนก็ยิ่งทำการได้สมริดผลอย่างดีถึงตรงนี้ก็มองเห็นได้ว่ามีสองระบบโยงกันอยู่คือหนึ่งระบบของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติมนุษย์จะมีอยู่หรือไม่จะรู้ถึงมันหรือไม่มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้น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 เป็นอันว่ามีสองระบบคือธรรมหรือธรรมะกับวินัยและเห็นได้ชัดว่าระบบสมมุติแห่งวินัยของมนุษย์ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะที่เป็นระบบแห่งธรรมดาของธรรมชาติจึงจะสมจริงและได้ผลและพูดอีกด้านหนึ่งว่าระบบสมมุติแห่งวินัยนั้นมนุษย์จัดตั้งขึ้นก็เพื่อให้ตนได้ประโยชน์จากธรรมชาติ ที่เป็นไปตามธรรมดาในระบบของธรรมะนั่นเองผู้สั้นๆว่าวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมหรือธรรมะและวินัยก็เพื่อธรรมะโดยธรรมะเป็นทั้งฐานและเป็นวัตถุประสงค์ของวินัยถ้าพูดให้แคบลงและง่ายเข้าก็บอกว่ากฎมนุษย์ต้องอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติ ต้องสอดคล้องกับกฎธรรมชาติจึงจะได้ผลที่ต้องการจากกฎธรรมชาติเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานอย่างนี้แล้วเป็นควรพูดถึงเรื่องสำคัญบนพื้นฐานของความเข้าใจนี้ไว้สักสองอย่างเรื่องแรกดังได้พูดแต่ต้นว่าสังคมมนุษย์เป็นไปด้วยสมมติหรือสมมติหรือมติร่วม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 พูดง่ายๆว่าในเรื่องของสังคมนี้สมมุติหรือสมมติตั้งอยู่ได้ด้วยสามคัคคีตั้งแต่ตกลงแล้วก็ยอมรับร่วมรู้แล้วก็ร่วมปฏิบัติตามโดยในยะนี้สามัคคีจึงเป็นฐานรองรับสมมุติไว้ถ้าไม่มีสามคัคคีสมมุติก็อยู่ไม่ได้อริยธรรมก็สั่นคลอน เพราะสังคมมนุษย์ดาเนินไปได้ด้วยสมมุติและสามัคคีก็รองรับสมมุติไว้โดยทำให้คนยอมรับตามสมมุตินั้นถ้าคนไม่สามัคคีกันก็จะเกิดการไม่ยอมรับตามสมมติหรือสมมติเช่นไม่ยอมรับกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นหรือของคู่กรณีที่ขัดแย้งกันไม่ยอมรับสิทธิต่างๆของคนพวกอื่นฝ่ายอื่นไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกา ตลอดจนกฎหมายจึงทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายระสําระสายจนถึงอาจจะทำให้สังคมดำรงอยู่ไม่ได้ในแง่นี้สามัคคีจึงเป็นพื้นฐานของวินัยเป็นหลักประกันของสมมุติหรือสมมติเป็นเครื่องรองรับและผนึกสังคมไว้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกเหนือขึ้นไปกว่านั้น สามคัคคีทำให้สังคมเกิดมีคุณประโยชน์ตามความหมายของมันโดยทำให้บุคคลทั้งหลายในสังคมนั้ น, น, นเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนกันและเป็นสภาพเอื้ออํานวยโอกาสแก่ทุกคนที่จะดำรงชีวิตของตนอยู่ด้วยดีสามารถพัฒนาชีวิตของตนให้เข้าถึงประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีระบบชุมชน หรือการเมืองการปกครองแบบให้บรรดาสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเช่นสังฆะในพระพุทธศาสนาและระบอบราาประชาธิปไตยความสามัคคีคือความพร้อมเรียงพร้อมใจมีเอกภาพจึงเป็นเหมือนหัวใจของระบบสังคมนั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำหลักสังฆะสามาคัคคีที่ต้องมีอยู่คู่กับวินัยที่มั่นคง ผู้บริหารหรือผู้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมที่ฉลาดต้องสามารถเอาปัญญามาใช้วินัยจัดแจงให้บรรดาบุคคลหรือสมาชิกประสานเข้าด้วยกันเป็นสังฆาสามาคีหรือบางทีเรียกว่าคณะสามาคีมองยงลึกลงไปเทียบกับด้านธรรมหรือธรรมะก็เหมือนบุคคลผู้ฉเฉลียวฉลาดจะทำการตามระบบของกฎธรรมชาติให้สาเร็จผล เขาใช้ปัญญาสืบค้นและจัดสรรเหตุปัจจัยพอได้ปัจจัยทั้งหลายพร่างพร้อมและประสานกันเกิดเป็นปัจจัยสามัคคีการที่ทําก็บรรลุผลที่หมายได้ผลสําเร็จดังที่ประสงค์แต่ถ้าปัจจัยไม่พร่างพร้อมไม่มีปัจจัยสามัคคีไม่ว่าจะทําอย่างไรอย่างไรผลที่หมายก็ไม่เกิดขึ้น ทีนี้มองแยกออกไปอีกด้านหนึ่งที่ว่าวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมหรือธรรมะและเพื่อธรรมนั้นควรทำความเข้าใจความหมายของธรรมหรือธรรมะให้ครบแง่ครบด้านด้วยคือธรรมที่ว่าเป็นสิ่งธรรมชาติและกฎธรรมดานั้นละอีกแบบหนึ่งว่าความจริงความถูกต้องความดีงาม เมื่อพูดในด้านนี้เรื่องก็มายงกับความสามัคคีอีกถ้าสมมุติหรือสมมติและวินัยที่จัดการสมมุตินั้นไม่ตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมหรือไม่เป็นไปตามธรรมก็จะทําให้คนทะเลาะวิวาดกันไม่สามารถร่วมจิตร่วมใจกันและยอมรับสมมุตินั้นไม่ได้และความขัดแย้งแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงหรือแพร่หลาย ก็จะนำไปสู่ความเสื่อมสลายของสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะให้สมมุติที่เป็นหลักของสังคมตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมและเป็นไปด้วยชอบธรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีแม้หากว่าสมมุตินั้นขัดต่อผลประโยชน์ของบุคคลบางคนแต่ถ้าสมมุตินั้นชอบธรรมมีธรรมเป็นฐานรองรับเขาก็ไม่อาจปฏิเสธสมมตินั้นได้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 ในสังคมมนุษย์เองและผลร้ายก็เกิดแก่เขาเนื่องจากความแตกสลายของสังคมของเขานั้นขอย้อนกลับไปที่จุดเดิมว่าเมื่อสมมุติละวินัยที่จัดการสมมุตินั้นตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมเป็นไปตามธรรมตามที่ควรจะเป็นด้วยดีไม่มีความขัดข้องด้านนี้แล้วในภาวะอันเป็นปกติอย่างนี้ บุคคลซึ่งรู้ตระหนักอยู่แล้วว่าการที่อยู่ร่วมกันในสังคมตนควรจะส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะเพื่อความแน่นแฟ้นแห่งสังฆะสามคัคคีจึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะเกื้อกูลสังฆะสามัคคีนั้นการที่บุคคลจะเกื้อหนุนต่อสังฆะเพื่อเสริมสังฆะสามัคคีนั้น นอกจากการมีส่วนร่วมแล้วก็พึงมีความเคารพสง์คือถือสงฆ์เป็นใหญ่ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสง์การที่บุคคลผู้อยู่ร่วมในสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังขะนั้นในที่สุดก็มิใช่เพื่อประโยชน์อะไรแก่สังขะรซึ่งไม่ได้มีตัวตน ที่จะสวยผลอะไรแต่การที่สังฆาหรือสังคมเข้มแข็งก็เพื่อว่าสังฆาที่เข้มแข็งมั่นคงนั่นแหละจะได้มารองรับหนุนบรรดาบุคคลเหล่านั้นให้เจริญเติบโตขึ้นไปถ้าสังฆาไม่เจริญมั่นคงก็จะไม่เอื้อให้บุคคลเจริญพัฒนาเพราะฉะนั้นจึงให้ถือหลักการเรื่องเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นใหญ่ คือสังฆคารวตาและหลักการเรื่องความสมัครคีเป็นสาคัญตามหลักที่เรียกว่าสังฆสมัครคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของสงฆ์ถ้าสงฆ์หรือสังคมไม่มีความสมัครคีแล้วสภาพชีวิตและระบบความเป็นอยู่ก็จะไม่เอื้อต่อการพัฒนาของบุคคลเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความสมัครคี เรื่องสมมุติหรือสมมติพึงพาความสมคีขอว่าไว้เท่านี้ก่อนและจะโยงกับเรื่องที่จะพูดต่อไป